ยากที่คนคนหนึ่งนะจะเจริญสติแต่ไม่ยากที่ผู้เจริญสติแล้วจะเข้าถึงธรรมะงั้นเราต้องเรียนต้องฟังพวกเราอยู่ๆจะมารู้ด้วยตัวเองไม่ได้หรอกว่าวิธีเจริญสติทํำยังไงต้องศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ท่องแท้ซะก่อน <S <S 1> <S 1> การเจริญสติใช่ไหมขั้นแรกเราก็ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติก็ไม่มีอะไรจะไปเจริญ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 ถ้าลรลึกได้ในอารมณ์ที่เป็นกุศลถึงจะเป็นสติแต่จะเป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่ว่าอารมณ์ที่เราลึกนั้นคืออะไระถ้าหากเป็นการะระลึกรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจนะถึงจะเรียกว่าสติปัฏฐานเราต้องคอยมามีสตินะเราลึกรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจการรู้นั้นรู้มีสองระดับซ้อนกันอยู่ อันหนึ่งรู้ด้วยสตินะอันหนึ่งรู้ด้วยปัญญาพะสติปัฏฐานเนี่ยทำไปแล้วจะได้สองอันอันแรกเลยทำไปเพื่อความมีสติอันที่สองทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาเรียกว่าเพื่อยานทัศน ะ, นะ<ม>ตัวที่ทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์จริงๆคือตัวยานนั่นเองตัวปัญญานั่นเอง<ม>ลำพังตัวสติเนี่ยเป็นแค่จุดตั้งต้นเหเ<ม>วลาเรามีสติก็เราก็จะสามารถระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของกาย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 เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงถ้าเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายจะเบื่อคนที่เรียนจากหลวงพ่อตอนนี้มีเป็นพันพันที่จิตมาถึงความเบื่อหน่ายละวเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดก็คือคลายความรักใคร่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโภชพระธรรมรมณ์คลายความรักใครยินดีในรูปในนามในกายในใจนี้เพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้น หลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจเนีนะ้เพราะหยุดหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วในพระไตรปิฎกจะมีคําอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นวลนะีถ้าภาวนาไปแล้วจะรู้สึกสะใจมาก mm hmm. ท่านพูดถึงความหลุดพ้นนะั้นบอกว่าหลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุติและเจโตวิมุตอันไม่กําเริบกลับนะ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 กดเอาไว้ค่มเอาไว้บังคับเอาไว้ควบคุมเอาไว้นในขณะที่คําว่าสติแท้ๆแปลว่าความะระลึกได้ความะระลึกได้เกิดจากอะไรตัวนี้ต้องเรีย น, นความะระลึกได้มันเกิดจากจิตนี้มันจําสภาวะได้แม่นยําเรียกว่ามันมีทิระสัญญาถอถุงสระอิะรอเรือทิระสัญญาทิระนี่คําเดียวกับคนไทยใช้คําว่าเสถีย น, นสะเถียนสถิระ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 สติระลึกถึงร่างกายได้ใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มันจะเห็นในฉับพลันนั่นเลยไอ้ตัวที่เรากําลังฟอกสบู่นี่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นท่อนๆนะเป็นแท่งๆเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แข็งๆมั่งอ่อนๆมั่งร้อนๆบ้างเย็นๆบ้างเนี่ยมันไปสัมผัสเอาตัวธาตุเขาจะเห็นทันทีเลยตัวเนี้ยตัวเนี้มันไม่ใช่ตัวเราละยังไม่ใช่ตัวเราละ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 สุ่มตัวอย่างมาหนึ่งกลุ่มกายบางอย่างเท่านั้นถ้าเข้าใจกายบางอย่างนี้แจ่มแจ้งจะเข้าใจรูปและนามคือเข้าใจทั้งกายทั้งใจนี่เข้าใจหมดเลยอย่างแจ่มแจ้งขึ้นมาหรือท่านสอนเวทนาในเวทนานะท่านให้สุ่มตัวอย่างเอาเวทนาบางอย่างนี้แหละมาเรียนนะถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งแนละ้วก็เข้าใจทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจอีกหรือสอนให้เอาจิตในจิตบางอย่าง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 กรรมฐานบางอย่างเป็นทางใจล้วนๆนอย่างพุโทโธอะไรนี้เป็นเรื่องทางใจล้วนๆเราก็พุโทโธไปแล้วสังเกตใจของเราไปกรรมฐานบางอย่างก็เนื่องด้วยกายด้วย น, นั้นเวลาที่อย่างเราดูท้องฟองยุกเรายกเท้าย่างเท้าเราหายใจเรารู้อิริยาบถสีเราขยับไม้ขยับมือมันจะรู้กายได้ด้วยเราขยับสมมุติเราขยับมือไปหรือดูท้องฟอ ง, ฟองยุกไปเนี่ยบางทีจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตใช่ไหม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 คิดถูกหรือคิดผิดก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมอาจจะคิดเอาเองหลวงพ่อพูดอย่างนี้คิดเอาเองอีกอย่างหนึ่งแล้วจริ ง, รงๆมักจะเป็นอย่างนั้นด้วยกระทั่งหลวงพ่อเองนะสมัยก่อนตอนเป็นเด็กๆเรียนวิชาศีลธรรมนะเขาสอนเรื่องอริยสัจ ส, สีทุกสมุทยัยนิโรธมั้งใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อะไรเนี้ยนั้ปัญ <c oughs> นะหาเป็นสมุทยัยนิโรธแปลว่านิพพานนิพพานแปลว่าตาย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 เราจะรู้สึกร่าง ก, กายนี้มันอยู่ห่างๆนะเป็นเรื่องแปลกนะเราภาวนาแล้วเรารู้สึกร่างกายของเราเองนี่มันอยู่ห่างๆออกไปเวทนาก็รู้สึกห่างออกไปกุศลอะกุศลทั้งเป็นตัวจิตสังขารทั้งหลายก็อยู่ห่างๆอย่างความ mm hmm. โกรธเกิดขึ้นแต่เดิมทั้งความโกรธมันย้อมใจเราได้ทัความโกรธกระใจนี่รวมเป็นเนื้อเดียวกันเกาะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคราวนี้แหละกูโกรธละกูโกรธนะแต่ทอมาเราหัดภาวนาพอใจเราตั้งมั่นเราเห็นความโกรธอยู่นี่นะใจอยู่นี่ไม่เกี่ยวกันนะ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 ผมก็บอกตัวเองว่านอนสักทีเสร็จมีความสึกเหมือนกับว่ายังไม่หลับมันตื่นอยู่อพรุ่งนี้เดี๋ยวจะตื่นตีสี่ไม่ทันนะอืตอนที่อยู่กําลังบอกตัวเองอยู่อย่างเงี้ยค่เจ้าค่ะตัวที่บอกไปเห็นว่ามันกําลังฝันอยู่อ้าวตกหลงนี่เราหลับหรือเนี่ยนั่น ใ, ใช้ได้และไอ้ตัวที่รู้นี่มันคืออะไรก็บอกตัวเองว่าเอ้านี่เราหลับนี่งั้นกระช่างมันเถอะนอนไปที่ตื่นตื่นอย่างเงี้ยตีสี่ก็ตื่นได้เจ้าค่ะหลวงพ่อตรง ท, ที่มันบอกนนท์บอกนี่นะเราก็รู้ซ้อนลงอีกนี่จิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่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 ถ้าเราจิตเศรา้าหมองอยากหาทางออกนี่คืออะไรคือเรามีโทสะซ้อนขึ้นมาเราไม่ชอบจิตที่เศร้าหมองเพราะฉะนั้นถ้าจิตเศรา้าหมองเรารู้ว่าเศร้าหมองจิตเศรา้าหมองแล้วใจเราไม่ชอบเรารู้ว่าใจไม่ชอบเรารู้ทันตัวจิงใจที่ไม่ชอบเนี่ยใจที่ยินร้ายเนี่ยความยินร้ายดับนะจิตเป็นกลางความเศร้าหมองจาขาดสะบั้นตรงนั้นเลยจุค่ะนะ จะหาทางออกจากปัญหาเจ้าข่าหลวงพ่อหาไม่เจอจนกระทั่งซีดีหลวงพ่อไม่ทราบหลวงพ่อ<ม>พูดกับใครประโยคหนึ่งเข้าหูว่าทุกอย่างของชั่วคราวเออนะทุกอย่างชั่วคราวหลุดเจ้าข่าหลวงพ่ อ, อ, อนะโอช่างมันเถอะมันของชั่วคราวเ อ, อนะแล้วมันก็เปลี่ยนไปดีเจ้าค่ะจิตขณะนี้เป็นยังไงจิตดีเจ้าข่าหลวงพ่อขณะนี้นะเจ้าค่ะจิตขณะนี้มีโมหะ <c oughs> หรือไม่ <c oughs> มัวมัวมั็นไหมดูออกไหมซึมซึมดูออกไหมยังซึมอยู่เจ้าการลงตัวเนี่ยให้รู้ทันนะให้รู้ทันลงไปรู้ลงไปสดสดร้อนๆอนนี่แหละหัดรู้สภาวะเห็นไหมการรู้สภาวะเนี่สาคัญถ้าเราไม่รู้สภาวะนะบางทีจิตเราเป็นอกุศลเราคิดว่าเป็นกุศลหรือบางคนหนักกว่านั้นอีกจิตเป็นกุศลนะก็สงสัยอีกเอ๊ะนี่รู้หรือไม่รู้ดูสิหาเรื่อง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 การฝึกฝึกจิตแล้วก็ดูสติอ่ครับว่าไม่ไม่ราบว่าทําถูกวิธีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือปัญหาของตัวเองคือมีโทสะค่อนข้างแบบมาไหวครับแล้วไม่ค่อยทันอะไรนะโทสะอะไรนะโทสะครับทำไมโทสะทําอะไรมาค่อค่อนข้างไหวแล้วก็เหมือนกับคือ<ง>ก็คือรู้ครับแต่ก็ไม่ไม่ก็มารู้ทีหลังทุกทีนะครับรู้ทีหลังก็ถูกแล้วครับคนที่ภาวนาเป็นนะนะกิเลสจะเกิดบ่อย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 รู้ให้สบายกว่านั้นนะรู้สบายอา้าวใครใจลอยยกมือขึ้นมีไหมใครใจลอยอดีนะพวกที่ไม่ยกคือพวกที่ไม่ยอมรับ <c oughs> อา้าวเชิญกราบหลวงพ่อค่ะขอหลวงพ่อไม่ได้ยินกราบหลวงพ่อนะคะเอขอถามสั้นๆค่ะอย่างเมื่อเมื่อเราคิดนะคะเรารู้ว่าเรา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 ไม่ใช่เราคิดแสดงว่าถูกสองระดับมันถูกทั้งนั้นแหละมันใช้ได้กับการดูกับการฟังใช่ถ้าอย่างเดินอยู่เนี่ยเห็นรูปมันเดินอันนี้ทำวิปัสสนาอยู่เห็นตัวเราเดินอันนี้ไม่ได้วิปัสสนาใครๆมันก็รู้สึกเราได้ฟังเห็นไหยเราฟังว่าหูมันได้ยินเสียงคนละอันกันมันไม่มีเราถ้าเมื่อไหร่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 เป็นเครื่องเจริญสติอยู่ได้ทั้งวันอยู่เมือ่อหลายเดือนก่อนนะถ้าตื่นมากลางดึกเราจะรู้ว่าเรามีความทุกข์เนี่ยขณะเนี้ยขณะเนี้ยรู้สึกไหมมันมีเรามีเราจริงๆขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมเนี่ยไม่ใช่พระโสดารู้สึกจะ <laughs> อินเข้าไปด้วยอ่ามันอินนั่นมีเราขึ้นมาจริงๆมันไม่ใช่จิตคิดละแต่มัน <c oughs> เป็นเราคิด <c oughs> มันไม่ใช่ว่าธาตุขันธ์นี่ตื่นขึ้นมากลางดึก แต่มันเป็นเราตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วแต่มีความทุกข์นะคะ<ม>ที่ต้นเหตุที่ทําให้เรียนถามเกี่ยวกับเรื่องเวทนา<ม>เพราะว่ามันก็ไม่มีสาเหตุนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งล้วนแต่เกิดด้วยมีสาเหตุทางนั้นเลยนะอย่างอาศัยมีกายนี่ใช่ไหมก็มีเวทนาทางกายนะอาศัยรูปก็เกิดนามอาศัยนามก็มีรูปอะไรเงี้ยก็อิงกันไปอิงกันมานะ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 อีกทีได้ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อคือไปดูไปดูตัวที่ไม่ตัวที่ยินร้ายใช่ไหมเจ้าค่ะใช่จิตชอาาคุณนะมันเจือโทสะอยู่เรื่อยๆเจ้าค่ะนั่นแหละไปดูตัวนั้นแหละเนะพราะว่ามันมันกระทบอารมณ์และมันมีโทสะแทรกถ้าไม่ต้องมีโทสะเพราะไม่อยากให้มีอารมณ์นี้ใช่เห็นไหมเนี่ยแค่เล่าให้หลวงพ่อฟังก็เริ่มอินแล้วรู้สึกหมเ้าค่ะ ใ, ให้รู้ทันนะแล้วก็อย่าไปเพ่งตัวเองไว้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 โยมมักจะเหมือนกับมักจะไปรู้ที่กายหนึ่งนั่นแหละเจ้ามันคือการเพ่งกายเอาเพ่งจนชํานาญจิตมันก็ค้างออกมาอย่างนี้แหละโยมหลวงพ่อเคยแนะมาทีนเมือม่อเมื่อตอนติดจิตขณะนี้กับตะ ก, กี้ไม่เหมือนกันดูออกเปล่าจิตที่ใช้ได้ต้องตัวอย่างนี้ยมันก็ยังรู้สึกหนักอยู่น่รู้สึกไหมมันเหมือนมันเริ่มคล่องแคล่วขึ้นเริ่มเคลื่อนไหวด <laughs> ูไม่ค่อยออก <laughs> ดูไม่ออกก็ดูกายไป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 จงใจที่จะรู้ทานข้าวก็รู้ว่าทานข้าวล้างจานก็รู้ว่าล้างจานไม่ใช่สิไม่ได้ใช่ไหมจงจไออย่างนั้นคนที่อื่นเขาก็รู้กินก๋วยเตี๋ยวรู้ว่ากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมเนี่ยคนอื่นที่เขาไม่ภาวนาเขาก็รู้อย่างนี้ถ้าจะกินข้าวนี่ไหมเห็นร่างกายเห็นธาตุมันเคลื่อนไหวเห็นรูปมันเคลื่อนไหวเห็นใจเป็นคนดูอยู่เห็นไหมกินเข้าไปคํานี้ใจมันชอบขึ้นมารู้ี่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 ให้รู้ทันว่าอยากให้หายตามรู้ไปได้เองค่ะอย่างเนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมบางทีดูดูก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะนอกจากว่าเ อ, อถ้าเกิด<อ>มีความสุขของคุณนะคุณ<อ>ต้องดูกายไปด้วยนะอของ ค, ค, คุณดูจิตรวดเดียวมายังไม่ได้คุณดูกายไปะร่างกายเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกไป น, นะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องดูจิตนะพวกเรา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 เมื่อมาเช้านี้เดินวนเวียนอยู่ที่นี่ตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าอยากจะเข้ามาในห้องนี้จังแต่จะเข้ามายังไงพอดีผ่านมาเข้าให้จับชลาก็โยก จ, จับมาอย่างนี้จับมาแบบที่เขาโชคดีค่ะเพราะว่าอธิษฐานในใจว่าวันนี้ขอขอให้ได้พบหญิงพ่อขอให้ได้พูดกับหลวงพ่อบ้างก็ได้เบอร์เก้ามาค่ะดี ใ, ใจและเข้าให้เป็นคนสุดท้ายด้วย <laughs> ชือ ที่ฟังคำถามทั้งหลายอยากจะถามอาจารย์นี่นะคะดิฉันก็ได้ทราบจากที่อาจารย์ตอบแล้วคือเคลียชัดเจนมากเลยฮะก็แต่ยังมีอยู่บางอ ย, ย่างที่เนื่องจากตัวเองเนี่ยพ อ, พอกเกษียณแล้วก็ไปปฏิบัติทัพมากเลยก็เลนหลายสํานักทีนี้เพราอยากจะทราบว่าคือคุณพ่อคุณอคุณแม่นี้ก็เป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่เข้าใจเรายังไม่เข้าใจพอเรามา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 ท่านถามบอกว่าที่โยมไปตัดหัวคนน่ะโยมอยากตัดเองหรือว่าพระราชาสั่งเฮ mm hmm. นะชคานนี่ก็ปิ๊งเลยโอ้พระราชาสั่งพระราชาบาปเฮชคานนี่สบายใจนะพอสบายใจแล้วฟังธรรมะนะได้พระโสดาบันนะท่านองค์ุลีมานฆ่าคนพันคนเห็นไหมโยมยังไม่ได้ฆ่าคนใช่ไหมเป็นสัตวแพทย์ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เป็นมนุษยแพทย์ <c oughs> <c oughs> แต่ก็แอบคิดนิดๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าสั่งให้คนงานทำนะคะตัวเองไม่ได้ลงมือทำก็คิดเอ๊ะหรือตัวเองอาจจะไม่บ้าอ่นั่นแหละตรงนั้นเป็นอดีตหมดละเอาปัจจุบันนะปัจจุบันนี้เรามีบุญแล้วเราได้นั่งใกล้เราได้ฟังธรรมเ้วเหลือแต่บุญที่ว่าเราจะลงมือปฏิบัติจนเราเห็นธรรมฝึกไปนะวันหนึ่งเราจะเห็นธรรมะธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อ ธรรมะอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้แหละมีสติรู้กายมีสติรู้ใจอย่าไปบังคับเขาแต่คอยรู้กายรู้ใจไปบ่อยๆอย่าบังคับนะแล้ว <c oughs> ควรจะจริลีนี้ควรจะปฏิบัติแบบของโยมมันขี้โมโหขี้โมโหดูง่ายดูใจไปเลยใจค่นะขอบพระคุณครับหลวงพ่อสุดท้ายมีผู้นําทางมาถวายครับก็เลยจัดอ๋อถวายทาง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 ยถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคขรังเอวเมวายโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัเพปูเรนตูสังกปาจันโดปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพีตีโยวิวัชชนตูสภโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะ